ฟังทงกันเนาะชอบอยากบอกอยากสนกินข้าวชาวบ้านนอนยุคกติที่ชาวบ้านสร้างฮสร้างให้ <c oughs> ในห่มผ้าจีวรเก็บค่อยได้ป่วยชาวบ้านญาตโจมรักษา ก็ขอให้เลยมีประโยชน์ว่าง ไ, ได้น้อยบอกความเท็ดความจริงให้คนฟังมีวิธีปฏิบัติแก้ไขความผิดให้เป็นถูกมีหลักอ้างอิงได้ในตัวของเราทุกคนเอาออกมาใชา้ ความหลงกับควารู้เป็นคู่แชงกันตรงกันข้ามเราต้องแข่งขันในกายในใจเรานี่การเวลาก็จิ้นเราไปอีกืนเราไปอี ก, ก, อกแข่งขันกับการเวลาแบบความแก่ความเจ็บความตายดึงเราเข้าไปด้วยเรื่อย แล้วก็แข่งขันกับความแก่ความเก็บความตายหยาบประจํานน์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ดีต่อชีวิตเราเรานี่เพื่อนเราก็แข่งขันกันอยู่หลอยที่หลายชีวิตกําลังบากบันให้พูดจกบาปกรรมกัน โดยเพราะสายงานปฏิบัติรูปแบบหลวงพ่อเทียนมีอยู่ทั่วไปทุกๆวันตลอด6เดือนออกแต่ว่า ด, ดึงเข้าไปอีกว่า ด, ดึงก็เป็นตลาดนัดของธรรมะ มีครูอาจารย์บอกสอนเกอดแยะสังฆทั้งญาติทั้งโยงชาวบ้านไปที่ใดชาวบ้านองประทมบบำรุงให้ความสนับสนุนพวกเราก็อยู่ที่นี่พยายามที่จะ มีคู่แขงในชีวิตของเราแม้แต่เป็นค า, ารวาจ่าเจ้าก็ต้องแข่งความยากความจนก่อตัวขึ้นเรื่อยๆอาชีพการงานวันนี้เราไม่มีอาชีพแบบนั้นมีอาชีพการศึกษาและทำมีอาชีพการฝึกสติจึกขา เป็นการเลี้ยงชีวิตของพวกเรามีอยู่จริงๆธรรมะคู่แชงแล้วตัวเรานี่อย่านึกว่ามันยากแล้ถือว่าคู่แชงมันหลงก็อย่าถือว่ามันยากทํายากนั่นแหละคู่แชงของหลาต้องรู้กันมามันทุกข์ก็อย่าถือว่ายุ่งยากนั่นแหละคู่แชง สิ่งที่เป็นอกุชัเป็นคู่แข่งกับคุศลเกิด อ, อยู่ในตัวเรานี่มีกันทุกคนรินกันทุกชีวิตถ้ามีรู้จักดูที่เราจะย้องกับจริงต่างๆนี่แค่นี้ชีวิตเรากนะ็ไม่มีค่าอะไร ตกหน้าอกของตัวเองยกมือขึ้นมาเหมือนกับสุทธะเราจะเป็นหนึ่งในโลกเราจะเป็นพูดประเสริฐสุดในโลกคิดแต่ดีบ้างหน้าอกเราก็มีพ่อมีแม่เราจะทำหน้าที่ดีที่สุดที่ได้เกิดมาจากพ่อแม่ อะไรที่เราใช่มาในชีิตของเรานี่ตอบแทนอะไรบ้างมีค่าอะไรบ้างตรองมองตนเตือนตนอยู่เสมออย่าได้ประมาทฝึกตนสอนตนบางอย่างธรรมะคู่แช่งบางอย่าง ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรเกิดจากกายเกิดจากใจจากรูปธรรมจากนามธรรมที่ไม่ได้ฝึกตนสอนตอนทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเกิดจากตัวเราเองเราจะต้องทําดีพูดดีคิดดีมีสติอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบ ด้วยความถูกต้องมีอยู่จริงความถูกต้องความไม่ถูกต้องเกิดจาก้าจากใจเราเนี่ยว่าแต่เรามีสติจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจชี่ไม่ถูกต้องสติเป็นตัวเจ้นที่วัดบ่งบอกเหมือนกับมิตเตอร์วัดความดันมิตเตอร์วัด ไห้าความร้อนความเย็นในร่างกายของเรานี่อันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์วัดจางนั้นในตัวันเองในความหลงความไม่หลงวัดความหลงมีสติวัดเห็นแล้วก็ปรับได้ไม่เหมือนกับร่างกายเราเราจะไปปรับมิเตอร์ไม่ได้ ให้มันไม่ร้อนไม่ได้ต้องมีวัตถุดถึงที่สองจนร่างกายเราร้อนต้องกินยาแก้ร้อนแก้ปวดแก้ไข้แก้แพ้อันนี่ในตัวเรานี่มันไม่ดีไม่มีเครื่องวัดอิสติตรงกันข้ามทุก เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยตกกันข้ามเลยทำง่ายๆในกายในใจนั่งอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้ยืนอยู่เดิน อ, นอยู่ทำได้ไม่ใช่ยุ่งใช่ยากหาการเวลา สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในการในใจมาพร้อมกันว่าจะมีสติเปลี่ยนได้ทุกอย่างใหนะ้เป็นความรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้ไปก่อนแต่ว่าต้องมีสติเป็นเจ้าถิ่นเจ้าของมีกรรมฐานเป็นที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทําไว้ก่อน รู้จักตัวไวก่อนจับจวนโดยชนหนึ่งมาเป็นที่ตั้งในการในใจเจ้าเหล่านี้เปิดอุปกรณ์ก่อนผิดความรู้จักตัวโดยทุกรูปแบบวื่งเดนนั่งนอนก็ได้เอืนน้อนำลอยหายใจจิตนึกพิบตาอ้าปากได้หมดกลจับมาตั้งให้ในความรู้จึกตัวที่นั่น การเปิกใหม่ๆต้องตั้งไว้หัดตั้งว่าหัดตั้งว่าถ้าไม่หัดทำไม่เป็นถ้าไปอดเวลามันโกรธถ้าไปหลงเวลาถ้าไปหลงเวลามันหลงไม่ได้หัดแล้วก็หลงอยู่จากนั้นไม่ได้หัดให้รู้เวลามราทุกก็อดเอาทนเราเวลามันโกรธก็อดเอาทนเรา มาได้ทนมาได้อดแต่ทำเป็นมันหลุดไปเองทำอย่างนี้มันหลุดอย่างนี้ถ้้อย่างนี้มีอย่างนั้นก็ไม่มีมันหลุดไปเองปฏิบัติทำมันเป็นอย่างนั้นคู่แข่งไปอย่างนั้นไม่ได้มีอุปกรณ์ไล่ทำ ความรู้จักตัวภาวาที่รู้ที่เห็นเนี่ยใชใ่ได้มากมากถ้ามีจิติจในกายอย่อเป็นประจำจะเปลี่ยนความไม่ถูกต้องเกิดขึ่กับกายให้เป็นความรู้จักตัวได้ง่ายแต่ถ้ามันเกิดหลขึ้นแล้วมันมีติก็จาจจะยาก แล้วก็ทํายากก็ถือว่าทําไม่ได้ซะที่จริงมันทําได้อยู่สิ่งที่ทําได้ก็ทําไม่ได้แล้วก็อ่อนเลยคนประเภทนั่นก็มีนี่ว่าปุถุชนปุถุเปรี้ยวผู้ยากอะไรก็ยากถามโน่นถามนี่ทําได้ทําไม่ได้ยาก เอาอยากต่อรองเพื่อให้ไปได้ทําเอาตัวรอดไม่ให้ได้ทำํำอะไรเป็นคนเตียดข้านไม่เค้คู่แข่โยอมไปเจอทั้งหมดโยมหัวเลาะยอมร้องไห้ถึงข้าวทุก็ร้องให้ถึงข้าวสุกก็หัวเลาะไม่คว่ำสุกให้คว่ำทุก เป็นตัวของใจเป็นตัวอำนาจของชีวิตตลอดภบตลอดชาติก็เกิดเจ็เจ็บตายเป็นทุกข์ในแต่ความทุกข์ที่จำไม่หลงโทษลูกก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปัญญาณเป็นทุกข์ติดไปเลย เห็ยานก็ติดสุขติดทุกข์สมสารก็ปลอให้เป็นสุขเป็นทุกข์เอเนาก็ให้เป็นสุขเป็นทุกข์รูป ก, ก็ให้ไปเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงเท่าที่มันไม่มีสุขมีทุกข์สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามนี่ไหวทิ่งไหว ผัให้ลูกเป็นทุกข์ัวให้ลูกเป็นสุขผวให้น้ำเป็นทุกข์ผัวให้น้ำเป็นสุขทิ้งความสุขความทุกข์ไปในรูปในานา้ำแต่ถ้าเรามามีสติรู้รู้เนี่ยภาที่รู้เนี่ยรู้แล้วนี่คือสุขรู้แล้วนี่คือทุกข์ กำหนดรู้เดีย ก, กันรู้กำหนดรู้เดียการมันเท่ามีอาการที่เกี่ยวกับทุกอย่างถูกต้องมีความรู้เดียการละบางอย่างก็ต้องละปล่อยออกไปบางอย่างก็ต้องมันเท่าเพื่อจะได้ใช้มันซ่อมแซมมันบางอย่างกำหนดรู้เฉยๆทำอะไรไม่ได้ เดมรู้จักตัวที่ไปเห็นความทุกข์มันก็เป็นใหญ่ของความทุกข์นั่นแล้วเห็นรู้เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์้นจับความทุกข์มันเป็นอย่างนั่นก็เหนือทุกข์อดทุกข์เห็นที่เลยก็หมดไปเดิมรู้มันเป็นชีวิต เป็นชีวิตที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกขก็ทำให้ความรู้สึกตัวเป็นทุกข์ไม่ได้สุกขก็ทำให้ความรู้สึกตัวเป็นสุกขไม่ได้ค ว, ม ร, ว, ม, ควมรู้สึกตัวมันใหญ่กว่าเป็นอินทรีย์ใหญ่กว่าความทุกข์ความทุกข์นั่นเราจึงต้องประกอบขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ให้มีไว้ในกายในใจเรา เป็นเจ้าของเป็นเจ้าทินที่เป็นธรรมถ้าเาไม่มีสติกายใจก็ไม่เป็นธรรมเมื่อกายใจไม่เป็นธรรมผิงอื่นก็ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้ ากายใจเป็นธรรมรูปเป็นธรรมนามเป็นธรมรมสิ่งอื่นก็เกิดเป็นธรรมขึ้นมามากมายยิ่งเราเป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่แมปู่ย่าตายายพี่น้องบทปัญญาสามี ชีวิตเราไม่ความ mm hmm. เป็นธรมเกิดพวามเป็นธรมเกิดขึ้นต่อนก็ mm hmm. ค, คิดนี้ร้ายเป็นดีกลายเป็นตระกูลกลายเป็นชาติเชื่อไปเลยก็มี <c oughs> ลูกคนดีก็เป็นคนดีลูกคนผานก็เป็นคนผานสิ่งวดล้อมไม่ดีเราต้องมั่นใจเรื่องนี้ไม่ปล่อยทิ้งทำไม่ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังในการสร้างชีงวิตล่องให้กับสมาชิกใน กรอขวัวใกล้คิดสังขาหมู่สง่งวางขึ้นมาประกอบขึ้นมาทำได้พูดออกมาจากปากพูดได้แสดงว่าทางกายแสดงได้จิตใจเป็นตัวหลัก บางใจก็วางกายวางคำพูดวางใบหน้าวางนิสัย่ได้ทั้งหมดแตาไม่รู้จักวางใจกายาาาาาา ก, ก็ไม่งามไมหน้าก็ไม่งามบางกระทําก็ไม่งามเดินเดินนั่งนอนไม่งาม ใช่สิ่งใช่ของก็ไม่ค่อยจะงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งประดับชีวิตของเรามีอยู่คือธรรมะเนี่ยสิ่งที่บมยดีเกิดขึ้นในกายใจเราเนี่แก้ได้ทั้งหมดอะไรเป็นทุกข์ อะไรทำให้เราหลงอะไรทำให้เราปวดเปลี่ยนไรทั้งหมดให้มีวามผาาเปลี่ยนพยายามหมือนรู้จักตัวเอาอย่างคนดีเอาอย่างท ร, รมาไว้ไหนเบลเบียเป็นนำไปจุความดีวิใน วิคือวิเศษในยยะคือนำไปนำไปถูกความวิเศษเห็นจริงๆเรื่องนี้ความหลงไม่วิเศษขี้เหล่ความไม่หลงนี่โกงเกยิ้มได้จากจิตสุดหดตูในความหลงในความทุกข์เมื่อรู้จักตัวขึ้นมานี่เบิกบานขึ้นมา มันจึงสองผัดได้ถ้าไม่หัดก็เป็นหุ่นที่ให้อารมณ์มาชักกลายชักใจไปตามอาการต่างๆของขอำนาจของอารมณ์ถ้าเรามหัดอารมณ์ก็เป็นใหญ่ เราจะเห็นจริงๆเรื่องนี้ถ้าเรามีสติยะหล้อยคนกาลังบรรลุธรรมหลายชีวิตกำลังมรรลุธรรมเรื่องนี้เห็นความหลงเลยเกิดความรู้ึิดสืบตัวขึ้นมาบรรลุธรรมเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นวัตถุ ไม่เป็นผู้ทุกานานข์พ้นจากความทุกข์นี่คือดวงตาเห็นธรรมเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้านจากความโกรธนี่คือดวงตาผู้เห็นธรรมมันจะต่างกันแต่บางคนไ ม, ไม่เกิดอย่างนี้มืดไปเลยหลงเป็นหลงมืดไปเลยโกรธเป็นโกรธก็มืดไปเลยทุกข์เป็นทุกข์ก็มืดไปเลย แต่เห็นทําก็เห็นอย่างนี้ปัติธรรมเคยเปลี่ยนอย่างนี้การเปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็ไม่ยากอะไรามากว่ายทาความเห็นให้ถูกต้องซะเกิดลุ่ออหลุนเกิดขึ้นเห็นกระแส พระนิพพานได้โอ้ไปทางนี้ไปแบบนี้ก็ตามให้ได้แม้ว่ามันจะดึงไปก็เกิดความรู้แบบนี้ขึ้นมาเกิดความชํานานขึ้นมาทีแรกก็หัดก็หลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกก็หัดให้ชํานานขึ้นมา เดินเก่ามันหลงรูปวางรูปไปแทนที่อย่างนี้มีให้เห็นเวลาเราปฏิบัติอยู่ใน ด, ดงงมือนี่ละ่ะวุ่นวา ย, ยแถวนี้มันติดมามันเปิดเบื้อนมาก็ต้องเป็นภาระบ้างออกแรงบ้างใส่ใจบ้าง แต่บางคนก็ง่ายก็อย่าประมาทให้มีสติเหมือนกันคนยากก็มีสติคนทูดทํายากก็มีสติคนผู้ทําง่ายก็มีสติเหมือนกันถ้ามันง่ายไม่ทำเอยไม่มีสติมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่จะสุขก็มีสติไม่จะทุกข์ก็มีสติเหมือนกันเดียวกันคนทุกข์มากก็มีสติ คนทุกข์สุขมากก็มีสติเท่าเท่ากันอนเดียวกันไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรไมาเห็นมีทุกข์ตรงไหนนั่นแหละมีสติ ด, ด, ดีเอาอะไรมาเป็นสุขเป็นทุกข์บางที่เอาวัตถุจิงของมาเป็นสุขแล้วก็ไม่ มาใช่ไปหวอยไปแขวนกับสิ่งของที่ทําให้เป็นฉุก่างนั้นฉุกแบบนั้นฉุกจอมปลอมฉุกอิงามิตรใต้ความฉุกของความฉุกของปอมถ้าเป็นปัญญาได้ความฉุกของความทุกข์นี่ของจริงควรจกทุกข์มันจะไม่ความฉุกมันสุขแบบนี้สุขแบบ ไม่เก่าขี้กากลักส่อขี้กากหายสุกแบบเกาขี้กากมีอะไรแล้วจึงสุกได้กินก็มีความสุกได้เห็นมีความสุกได้ยินได้ฟังได้สัมผัสมีความสุกสุกแบบนั้นสุกเกาขี้กากมีขี้กากให้ได้เก่าเวลาเก่าก็จะบายลาคันมาก็เก่า จิเหล่าก็ได้จิตเล่าก็มีความสุขจิตปุรีก็ได้จุปุรีก็มีความสุขสุกเกาขี้กลากเกยวตีเล่ร่อนทำ ม, มรารคะปฏิฆะมานาทิพถิสุขแบบเกาขี้ ก, กรอกทำอะไรเกาไม่มีความสุขสุขที่เป็นสุขแบบพุท ธ, ธ มันสุขที่ต้องได้จากความไม่ถูกต้องใ้แบบความทุกข์นี่เลมันยั่งยืนผ่านทุกมาเหนือทุกมามันทุกไม่เห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกตรงนี้คนรักษาขี้กากหายจะเรียกว่าสุขหรือก็เรียกไม่ถูก เรียกว่าหมดทุกข์หรือมึงก็เรียกไม่ถูกจะกลมมันเก่ขี้กลางวันนี้มันรักษาขี้กากขายมาไม่ต้องเกา่าจะเรียกว่าฉุกหรือเรียกว่าอะไรไม่ได้มันจะเป็นธรรมเรียกว่าไม่มีตัวไม่ตนว่างเปล่าจะความหมายแห่งความเป็นตัวตน นี่ว่าว่างปล่อยวางวางแล้วไม่มีอะไรจะถือแล้วก็บดแล้วแม่มือแล้ววางแล้ววางทั้งสุขวางทั้งทุกเบื้องต้นก็ต้องทำทำได้แต่ต่อแต่ได้ต้องทำก่อน มันหลงรู้ทำก่อนมันหลงรู้รู้รู้มากทําได้แล้วทําให้แจ้งแล้วเลาะได้แล้วเหมือนพระพเจ้าตัดสลูอ้อริยสัจสี่ทุกไม่กาเริบเพื่อนเจรเราชาติที่เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่กําเริบอีกแล้วเราจะจึง อุธรมาเป็นสมายสัพพุท ธ, ธเป็นพุท ธ, ธได้เพราะมันมีอันสิ่งที่ผมบอกมันต่างเกา่าต่างเกา่าต่างเก่าด้วยความรู้สึกในความชีวิตต่างหลงหมดปอยความทุกข์ขวัญขรดหมดปอย อันต้นตนกาบโนอกาาการมราคฆาปฏิฆะมรทาติสังโยชน์เข้าไปการมสศ ว, วาภวะวอวิชชาสวะหมดไปไม่มีอะไรข้องติดกลาเป็นศีนสมาธิปัญญาเป็นไตรจิขาสมาธิจะแท้คือหมด กล่มจางคายไปไม่ลบ ก, กวนจึงได้ว่าสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆเวลาอิริยาอาการกตา่างๆหมดไปเวลาขามเสียได้วละสุขละทุกข์เสียได้มีสติแล้วเหลืออยู่นูน่นสมมาสมาธิไปถึงนูน่นไม่ใช่รูปแบบ นี่ก็มาฝึกยากฝึกสมาธิไว้หลับตาลงไปวลิกรรมลงไปฝึกยากแต่แท้มันไม่ได้เอาลากงูมนออกมันมีลากเงาจะมากบเกินไม่ได้เหมือนติลาทับหญ้อาออศิลาออกหญ้า ก, ก็เกิดที่จริงมันแบบถอนลากตั้งแต่ กายอย่ปัญนาไม่สติเห็นกายอยู่เป็นประจำอะไรเกิดกับตายก็กายจากว่ากายไว้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนโลาเขานอนวิธีถอนลากตั้งแต่บนต้นแล้วเวทนาจากวาเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนโลาเขาวิธีถอนลาบ เจตก็จักว่าเจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็จักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานตั้งแต่เบื้องต้นแล้วทำไมจะไม่ฉุกไปถึงไหนมีทุกไปถึงไหนถ้าไปกําหนดปายเไงก็กบเกินเอาไว้ไม่ได้ถอนตรงนี้วิธีปฏิบัติธรรมเมืนแบบเป็นไปตามลําดับ ไ ป, ไปตามลำดับเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่เบิ่งต้นไม่ดีท่ามกลางก็ไม่ดีที่สุดก็ไม่ดีวนเวียนสับสนวนเวียนอยู่อันเก่าก็ยังขวางหน้าอยู่เรื่อยไม่ผ่าน อฏิบัติธรรมมันเป็นทางไปบอกทางไปชำนานทางชำนานทางหลุดพ้นจนเรียกว่าปริญญายาตาปะปริญญาลู้ง่ายกำหนดลู้เดียกันลู้ง่ายๆตีลักษณะปัญญาทำให้หมดแกะแกะแกง แจกแจงไม่ให้มีอะไรเหลือเหลือศูนย์เข็นขณาสร์เป็นโจทย์ว้องจนเหลือศูน์ให้เบิตีละคณะปัญญาแจกแจงหายตัวหายตัวหาหน้าปัญญาทำให้หมดไปไม่มีอะไรเหลือดับไม่เหลือ นี่คือชำนานทางเอามาขึ้นเขียงดูีิมันมีอะไรไม่เหลืออะไรด้วยเหนือกาอนเกิดเจอะจบตายนี่คือแสดงธรรมเรื่องแสดงธรรมมันเรื่องอะไรก็เรื่องอยู่ในกายในใจเรานี้ทุกคนก็มีกายมีใจ ปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาที่กายที่ใจเราก็มีกายมีใจทุกคนเราก็มีปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจทุกคนเหมือนกันถ้าเราจะแก้ก็แก้ที่นี่เหมือนกันหมดแค่ให้กันไม่ได้ต้องทำเ อ, อกเองปฏิบัติเอาเอง นี้หมายอะไรที่จะทำให้เรามีปัญหาในการในใจเรานี่บางทีปัญหาก็ผุกขึ้นมาเป็นอวิชชาแทนที่เป็นวิชาสะเมื่อเป็นวิชาก็มปีปัญหาขึ้นมาถ้ามีอวิชชาเปลี่ยนเป็นวิชาขึ้นรูปซะ รู้นี่มาเดี๋ไปท่องหนังสืออ่านหนังสือรู้รู้วิชานี่คือรู้รู้แจง้งเหมือนหลงกดรู้เหมนทุกข์กดรู้มันผิดมันถูกก็รู้เหมือนสงบก็รูุ้งซ่านก็รู้รู้อย่างนี้เหลอวิชาได้จาก อวิชาอาวิชามันบอกไม่สนุกนะปฏิบัติธรรมเวลาได้อารมณ์กรรมาฐานมันก็ว่าวติดลมนิ่งป่อยที่ไเลยปของมันเองอยู่ได้ด้วยนะกรรมาฐานเองอยู่ได้เอง เนือเกิดแบบวิไหนเป็นวิไหนน้ำไปน้ำไปน้ำไปวิไหนช่วยศีลช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยศีลที่ขันปัญญาที่ขันสมาธิขันถี่เข้าไปศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญ ไม่ทำบาปโดยกายด้วยวายจาด้วยใจจะเป็นอย่างไรวันนี้ฉุดมุดจดจากเครื่องสมองอยเรานั่งอยู่เฉยๆมีสตินี่อะไรเกิดขึ้นมาว่าจะมีสติรู้สึกตัวซะเหมือนต้นก็ประกอบขึ้นมาสติ มันจะมีขึ้นเพราะการประกอบกันมาใช่มันเียก่อนจับมาใช่เป็นอุปกรณ์เอาการเป็นอุปกรณ์ให้รู้ถึกตัวให้เวลาอย่างนี้ต่อกันและกันอย่าไปทาอย่างอื่นถ้าทาเองก็เสียการเวลา อยู่ป่าเพราโง่อยู่ป่าพราะเกลียดข้านมนก็เป็นสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้หลบหลีกอยู่ป่าเพื่อรีกเพื่อหลบลีกลีทำความชั่วลีความเกลียดข้านอันนั้นก็ไม่ดีแท้อยู่ป่าเพื่อฝุกตนสอนตน บ่อดีอย่างไงจิต ท, ทุ้งหลายเธอฉันข้าวบิธรรบบาทเสร็จแล้วล่างบาทดีแล้วมืออุ้มบาทไก้ชูกติของตนวางบาทไว้เปิดหวาบาทไว้นั่ง ตั้งใางให้ตรงลำล็อกตถือให้มัน่นนี่คือป่าดีใช่ป่าเป็นประโยชน์นั่นแหละป่าอย่นี่ถืว่าป่าเหมาะสมที่ปคุคคลประเภทนี้ได้ขี้เกียจที่ค้านก็ไม่ดีงูจึงอยู่ป่าที่ค้านจึงอยู่ป่าลี่ทางควงชั่วจึงอยู่ป่าไม่มีใครเห็นคิดยังไงก็ได้ นอนอยังไงก็ได้ปล่อยตัวที่งได้ไม่รู้จักสมบรณ์ระวังก็อยู่เป็นยิ่งยิ่งยิ่งทีดูแลตัวเองทีหยิบจะอยู่กับเพื่อนอาจจะหลบๆลบดีๆนอนนอน้าอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยนอนไม่เป็น อยู่ป่าอยู่คนเดียวจริงๆนอนไม่เป็นตื่นไม่มีใครสอนสอนตัวเองเต็มที่ไม่มีใครพูดให้สอนเราจะช่วยตัวเองเต็มที่นี่คืออยู่ป่าจึงถูกต้องสุกโตก็อยู่ที่นี่มีกายมีใจเราสุกโตอยู่ดยโดยโชคกายอยู่ด้วยโชค จิตใจอยู่โดยชอบคือสุขโตเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วใจโลกหมายว่างจากพรลัหันจะเกิดมีภิกเวพิกูสมมุสำเงาหาเลยุ่งอสุโจูโลโกาหาันต่เหี้ยศภิกษุทั้งหลอยเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะหมว่างจากพระัหันคือมีสติเนี่ยอา้าวผสมควรใจเวลา ก็ปะพอมัน